กุศลคือแสงสว่างบาปคือความมืดท่านคงจะสังเกตเห็นความจริงได้ในตอนนี้ประการหนึ่งแล้วว่าความประนีตของจิตนั้นสำหรับเราชาวโลกทิพย์แล้วหมายถึงแสงสว่างโดยแท้คือหมายความว่ามีลักษณะเป็นประกายแสงสว่างออกมาให้เห็นชัดเจนเลยทีเดียวและโดยนัยยะตรงกันข้าม ความหยาบของจิตก็มีลักษณะเป็นความมืดคลุมออกมาให้เห็นได้อย่างเด่นชัดเหมือนกันวิญญาณที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะมืดคลุมนั้นก็จะมีรูปร่างหน้าเกลียดน่าขยักขยงตามไปด้วยซึ่งทั้งนี้ก็เป็นผลของการดำเนินชีวิตอันชั่วร้ายแต่หนหลังของเขาในโลกมนุษย์นั่นเองแต่เมื่อบุคคลเหล่านั้นได้สั่งสมคุณงามความดีไว้บ้างในชีวิตอันชั่วร้าย ก็จะปรากฏมีแสงสว่างเล็กน้อยเปล่งออกมาบ้างตามสมควรพวกเราสามารถเห็นประกายแสงแห่งความดีนี้ได้และก็จะพยายามหาทางให้เขาได้มีโอกาสาระลึกถึงกุศลกรรมแม้เล็กน้อยของเขาได้บ้างเพื่อเขาจะได้รู้สานึกตนและกลับใจเสียใหม่และถ้าหากว่าวิญญาณ น, นั้นมีนิสัยไม่ดึงดันจนเกินไปโดยยอมรับฟังเหตุผลต้นปลายบ้าง เราก็จะสามารถช่วยเขาได้มากยิ่งขึ้นโดยทำให้จิตใจของเขามีประกายแสงแห่งความบริสุทธิ์แรงกล้าขึ้นเป็นลําดับสุดแล้วแต่ว่าเขาจะยอมร่วมมือกับเราหรือไม่และเพียงใดในกรณีที่เขาไม่ยอมรับฟังเหตุผลยังใดเลยเราก็เป็นอันหมดความสามารถและก็ต้องปล่อยเขาให้เสวยผลแห่งบาปของเขาต่อไปจนกว่าเขาจะได้คิดเอง ท่านคงจะได้เห็นแล้วว่างานดังกล่าวนี้เป็นงานที่แสนจะยากลำบากเพียงไรถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่ อ, อา้านในทางร่างกายเลยก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็เป็นที่แน่นอนว่าเราย่อมไม่อาจที่จะอยู่ในอบายภูมิเพื่อรอให้จิตใจของพวกนี้เกิดแสงสว่างขึ้นมาได้ตลอดการดังนั้นเราก็ย่อมจะต้องออกมาสู่ภูมิแห่งแสงสว่างอันเป็นภูมิของเราเองบ้างเป็นครั้งคราว โดยจะมีท่านผู้ประกอบด้วยความกรุณาท่านอื่นรับหน้าที่คอยเฝ้าดูและช่วยเหลือวิ ญ, ญญาณที่น่าสงสารเหล่านั้น่านเราอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้จึงเป็นอันกล่าวได้ว่าหากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนจิตใจไปในทางที่ดีเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในที่ใดและไม่ว่าจะในสถานการณ์เช่นไรก็ตามจะต้องมีผู้รู้เห็นและขอให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทาได้เสมอไป และข้าพเจ้าใครที่จะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องเช่นนี้เป็นเช่นนั้นจริงๆไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นบนบกหรือใต้พื้นดินใต้น้ำหรือบนอากาศก็ตามถ้าหากบางครั้งเราไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ทั้งๆ ท, ที่เราก็คอยเสนอให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดการและทุกสถานที่เช่นนี้แล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเราแต่อย่างใด พราะผลอันแท้จริงที่จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือและร่วมใจของฝ่ายที่จะรับความช่วยเหลือด้วยและเท่าที่ปรากฏมาคนที่ไม่เคยมีความรู้ในเรื่องโลกทิพย์มาแต่เดิมเลยและยึดมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งไว้อย่างเหนียวแน่นนั้นจะเป็นผู้ที่ดื้อด้านและดึงดันอย่างที่สุดบางจาพวกที่มีใจเป็นกลางคือถึงแม้จะไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ก็ยังไม่ยึดถือทิฏฐิผิดๆไว้อย่างเหนียวแน่นก็เป็นประเภทที่ค่อยย่างชั่วขึ้นเพราะอยู่ในฐานะที่พอจะอธิบายให้เข้าใจแล้วรับเชื่อได้บ้างตามสมควรบางจำพวกมีนิสัยดีอยู่เหมือนกันแต่ก็ได้รับการอบรมให้เชื่อในความเห็นที่ผิดๆมาจนฝังหัวเสียแล้วประเภทนี้แหละเป็นเรื่องที่หนักใจอย่างเหลือหลายและเป็นเรื่องที่ยากสารเข็นทีเดียว กว่าจะพูดกันให้รู้เรื่องได้อีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่ยึดถือข้อความในคำภีตรงตามตัวอักษรทุกประการพวกนี้ไม่มีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจข้อธรรมที่ลึกซึ้งสูงขึ้นไปกว่าที่ตนเคยยึดถือมาหรือเคยได้รับคาบอกเล่ามาจึงเป็นพวกที่พูดกันให้รู้เรื่องยากอีกประการหนึ่งเหมือนกันเพราะเขามักถือว่า เขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกเฟ้นมาแล้วและจะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาลจากศรัทธาของตนที่มีในพระองค์บุคคลประเภทนี้เป็นพวกศรัทธาจริตไม่ยอมคิดและก็ไม่สามารถจะคิดอะไรให้นอกเหนือไปจากข้อความที่มีกล่าวไว้ในคำภีที่เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเขาไม่เคยคิดเลยว่าการสวดมนต์ภาวนาสรเสริญพระผู้เป็นเจ้ากันไปตลอดอ น, นันตการ โดยไม่ต้องกระทาการงานอย่างอื่นใดเลยนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ทรมานเปรียบเสมือนการฝันร้ายสักเพียงใดบุคคลประเภทนี้เมื่อผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้ในครั้งแรกก็จะต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อได้เห็นสภาวะแวดล้อมที่ไม่ได้เป็นไปดังที่ตนได้คาดฝันไว้แต่เดิมในระยะนี้พวกเราจะพยายามอธิบายเหตุผลนาน า, นานาประกาให้เขาเข้าใจ ซึ่งในบางกรณีเราก็ทำไม่สำเร็จไม่ว่าจะชักเหตุผลหรือแม่น้ำทั้งห้ามอาอธิบายกันแทบล้มประดาตายก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะปล่อยเขาไว้ตามเรื่องตามราวและเขาก็จะได้รับกระแสแ่งความดึงดูดให้เข้าไปคบหาสมาคมกับพวกที่มีความคิดเห็นในทำนองเดียวกันกับเขาเขาอาจจะได้รับความโล่งใจและมีความสุขไปตามประสาของเขา ชั่วพักหนึ่งในแดนสวรรค์ซึ่งพวกเขาโมเมสร้างขึ้นเองแต่แล้วในไม่ช้าเขาก็จะเบื่อชีวิตในสวรรค์เทียมแบบนั้นและใครที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาใหม่ในตอนนี้แหละที่พวกเราสามารถจะช่วยให้คำแนะนำและอธิบายให้เขาเห็นจริงได้ดีขึ้นและสามารถชักจูงให้เขากลับมาดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่ต้องฝืนธรรมชาติอีกต่อไป หปลกไหมท่านผู้อ่านทั้งหลายที่พวกเราทั้งหลายในโลกทิพนี้เป็นจํานวนมากมายเหลือเกินต้องลงทุนเสียสละเวลาแล้วเรียวแรงกันอย่างมากมายเหลือเกินเพียงเพื่อที่จะอธิบายให้ชาวโลกมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีนิสัยดีร่าเริงน่าคบหาสมาคมได้เป็นอย่างดีเหล่านั้นได้รู้และยอมรับว่าเราเป็นผู้ที่ยังไม่ตายแต่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันกับเขาและไม่น้อยไปกว่าเขาเลยไม่ว่าจะมองกันในแง่มุมใดๆก็ตาม ที่แปลกประหลาดยิ่งขึ้นก็คือเราต้องพยายามอธิบายให้เขาผู้ซึ่งเพิ่งตายมาใหม่ๆเข้าใจว่าเราไม่ใช่ผียังเด็ดขาดแล้วเราก็ไม่ได้มีหน้าที่หรือมีนิสัยชอบหลอกหลอนใครๆให้ตกใจกลัวเล่นอีกด้วยคำถามแรกที่พวกเราจะต้องถูกถามก็คือคุณเป็นใครในเมื่อผู้มาใหม่และกำลังตกอยู่ในความลำบากเห็นพวกเราเข้า และต่อจากนั้นเราก็ต้องอธิบายกันเป็นคุ้งเป็นแควว่าเราเป็นผู้มีเลือดและเนื้อเหมือนกันไม่ใช่เป็นภาพเงาหรือภาพมายาแล้วเราก็กำลังมาเพื่อช่วยเขานั่นเองถ้าเขาจะยินยอมให้เราช่วยเหลือเขาได้บางครั้งการที่เราปรากฏตัวในเครื่องนุ่งห่มแบบโลกมนุษย์ธรรมดาและพูดจา ก, กันด้วยสับแสงและกิริยาอาการอย่างเป็นกันเองก็ทาให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ตายใ ห, ใหม่ได้เหมือนกัน เราในกรณีเช่นนี้หากเราคืนปรากฏตัวแสดงให้เขาเห็นว่าเป็นผู้มาจากสวรรค์หรือโลกอื่นแล้วดีไม่ดีอาจทําให้เขาตกใจทับตาบีอีครั้งหนึ่งก็ได้และความประสงค์ของเราที่จะช่วยเขาก็จะต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าทั้งๆั้ที่ทยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยดังนั้นในการสนทนากันครั้งแรกนั้นเราจึงพยายามทําตนให้เป็นกันเองอย่างที่สุด และพยายามอธิบายโดยอ้อมค้อมให้เขาเห็นว่าสภาพการปัจจุบันขณะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเหลือเกินไม่ใช่เรื่องที่ควรตกอกตกใจอย่างใดเลยโดยวิธีนี้ถ้าผู้นั้นมีสติปัญญาพอสมควรและมีจิตใจอ่อนโยนยอมเชื่อฟังคำอธิบายของผู้อื่นบ้างก็จะรู้ได้เองว่าเขาได้ผ่านกระบวนการธรรมชาติที่โลกมนุษย์เรียกกันว่าความตายมาแล้ว และเขาก็จะยอมให้เราช่วยเหลือเขาแต่โดยดี